ชอบไหมไม่ชอบโกดทําไมทุกคนเกลียดทางนั้นแต่ทําไมมันเกิดขึ้นเพราะหลงนั่นเองนึว ก, กว่าโมหะลูกควมไม่รู้พคดภาษาบ้านหลวงพ่เรียกว่ความไม่รู้นั่นเองภาษาธรรมะเรว่างเมื่อเราไม่รู้แล้วก็ต้องจําเป็นบ้านหลวงพ่อพอ่พอแม่คนส่วนเอาขี้เป็ดไปล้างขี้ไก่อยูา่านมันจะได้จากเธอด้อสิเอาขี้ไก่ไปล้างขี้เป็ดเอาขี้เป็ดไปล้างขี้ไก่ เพิ่นไห้บางก็จํามาว่าแต่ว่าเราต้องการจะคนดีคมชั่วไม่ต้องการทั้งหมดแต่ทําไม่คนชั่วมันเกิดขึ้นมาเนีเพราะไม่รู้เพราะโมหะไม่รู้ที่จะคือหลงกายลืมใจอย่าลืมตัวนะพ่อแม่สอนแต่ทั้งก็ลืมบางที่ทัางก็โกรธเราเหมือนกันเนี่ยเป็นธรรมดาเนี่ยถือเป็นธรรมดาอันธรรมดาเนี่ยเป็นโลกุตระธรรมไม่ใช่เป็นโลกุตระธรรมเราไปถือเอานี่ยเป็นธรรมดาคนโกรธเกียด ดีใจเสียใจมันไม่ใช่ธรรมดานะของเนา่าของเหม็นจริงๆพระพุทธเจ้าท่านว่าความเนา่าความเหม็นทุกสิ่งทุกอย่างน่ะหลวงพ่อพูดอุจจระเปรียบอุจละทีเดียวก็ได้เนา่าเหม็นเตียดที่สุดคนทุกขนเกลียรติอุจละใช่ไหมคุเกียรตินะั่นแะหะแต่พระองค์ยังไม่เกลียดเท่ากับโสะโมหะโลภะนี่เองพระองค์เกลียรติอันนี้มากแต่พระองค์เกียรติแล้วจะทํา้ายไหม ไม่ต้องทำไรแต่ไม่ให้มันเข้ามาใกล้เท่านั้นเองเมื่อเรามาเห็นสภาพภาวะจิตใจของเราเนี่แหละออเรื่องเล็กน้อยแต่เราไปเข้าใจว่าเรื่องมากมายแต่เราไม่ได้ศึกษาอย่างนี้คุณก่อนจะได้ด็อกเตอร์นะเรียนกี่ปีทั้งมดทั้งหมดตั้งแต่ปอนยี่ปีไปยี่สิปีเ<ด>นี่ยยังได้อันนี้รับรองได้ตามหนังสือธรรมวิจจานบอกว่า ผู้ที่จะเลิญสติประฐานสี่ให้ถูกต้องติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอณิสงสองประกาศหนึ่งเป็นพระอรหรันคนก็ต้องอยากเป็นพระอรหรันสองเป็นพระอนาคามีถ้าไม่ได้เป็นพระอรหรันต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดอาจารย์ทำมาแล้วหลวงพ่อทำตั้งแต่เมื่อติดมี ถึงอายุ40ปีเนี่มันเลยเป็นเรื่อคําพูดแต่เราไม่คํานึงว่าเราทําผิดเราทาถูกเราไม่คำนึมันไม่ได้ทําเหมือนกับอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเมื่อเราทําอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆนะรับรองว่าไม่ผ่านแต่วิธีที่หลวงพ่อนํามาพูดนํามาแนะนํากันอินทวันวิธีทําผมเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวเคลื่อนไหวโดยวิเธีกาให้รู้อันนี้วิธีเนี่ยไม่เกิน3ปี รับรองบอกไม่เกินสามหรือรู้รู้อะไรปัญญาตัวสัญญาตัวนี้แหละจะทําหน้าที่ของมันเองไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับตำรับตาราไม่ต้องไปเอาตําราที่ไหนมาพูดเลยเพราะในพระไตรปิฎกตําราก็พูดในเรื่องเรานี้เองไม่ได้พูดเรื่องอื่นเรียนพระไตรปิฎกเรียนจำเน่ ย, ยนมันเรียนตัวธรรมชาติมันเนี่ยมันจะรู้ดีเดี๋เรียนอันนี้เมื่อเรียนอันนี้แล้วไม่ต้องเรียนมาเรื่องโทสะโมหโลภ เป็นลาภเง่าข้อขม ท, ทั้งหมดมันก็นไม่ได้ดีอยู่ตลอดเวลามันก็นมีบ้างไม่มีบ้างถือเป็นธรรมดาเราก็เคยไปแต่ความจริงน่ะในขณะที่เราลืมตัวเท่านั้นเองลืมใจเรามันมาถ้าหากเราไม่ลืมตัวไม่ลืมใจแล้วมันไม่มีให้เรารู้สึกตัวอยู่เสมอดูใจเราอยู่เสมอมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีแค่นี้เองเมื่อลูบอย่างนี้อะจะว่าอย่างไง แตว่าสัตมนรกก็ได้เหมันเป็นเรื่องสมมุติแต่ว่าเทวดาก็ได้เหมือนเป็นเรื่องสมมุติแต่ว่าพระอินทร์พระพรหมก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุติอยู่ให้เรารู้สมมุติจริงๆเดี๋ยวนี้เราไปติดสมมุติติดซื่อติดเสียงติดเกลียดติดยศติดพักติดตัวติดอะติดนั้นจะเป็นยังไงก็เรียกว่าาทานหรือว่าเป็นโลภะนือจะยึดถือและจะจะพูดละเรื่องเพนีดังนั้นพวกท่านเป็นนะเราจะไปสอนคนอื่น ให้เขาไม่มีความทุกข์เราต้องรู้วิธีการถ้าหากไม่รู้วิธีการแล้วหลวงพ่อเข้าใจว่าที่ถามหวานนว่าซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ซีริไม่มีตลาดที่ไหนเลยขายชีวิตคนแม้่ีวิตของคนเนี่ยมีคนหนึ่งมาจะขายจากหมื่นล้านเนี่ยก็ไม่มีมีคนเอามาให้หมื่นล้านจะไปฆ่าเดี๋ยวนี้ีเาา่เอาไหมเอาไหม ไม่ออกเนี่ยว่าชีวิตจะมีราคามากเงินหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่เหมือนกับชีวิตของเราจิ๋ว่าไม่ควรให้ชีวิตเป็นทุกข์ถ้าหากรู้สึกว่าชีวิตมีคา่ามีราคามากแล้วก็ต้องไม่ให้เป็นทพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้สอนเรื่องแม่แต่ว่าสอนเรื่องอื่นเลยอันนั้นเราเข้าใจกันมันไม่ตรงกับคําพูดคําสอนแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาคนเห็นไม่เหมือนกัน มันมีวิธีที่ที่พูดนี่คือมีวิธีพูดให้ฟังอย่างพวกท่านเป็นนักศึกษาอในมหาวิท ย, ยาลัยวันนี้ได้ยินอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีนักศึกษาแพทย์ก็มีแล้วกระอาจารย์สอนก็เรียวกว่าเป็นหมอสอนแพทย์ปริญญาโท ก, ก็มีแล้วก็มนกีนักศึกษาอะไรวิศวะนีออะ่แหะวิศวะก็มีแล้วก็มี อาจารย์สอนนักศึกษาวิสาหกุลแล้วก็ยังมีอาจารย์หลายตำแหน่งหน้าที่เป็นข้าราชการเคยทำงานมากก็มีจำนวนมากมาที่นี่วันนี้ดังนั้นวันนี้จึงว่าเราเรียนมาแล้วแต่เรียนเป็นนักศึกษาแทยแเราก็จะไปรักษาคนป่วยเพื่อคนไข้แล้วก็หลวงพ่อไม่รู้สิ่งแล้นเราเรียนมาแล้วผมรู้อันนั้นแต่ว่า เรื่องชีวิตนี่เราไม่เคยเรียนเลยมีแต่เรา น, นึกว่าเราเรียนแล้วไปหาเงินได้เงินเดือนมาจะมีความสุขนึกว่าเรียนหนังสือมากๆแล้วจะได้เงินเดือนนึกว่าเงินเดือนจะทําความสุขให้แต่เราไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่เป็นลูกมหากษัตริย์มีบ้านมีเรือนอยู่สามฤดูแล้วสามหลังฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาว นล้วก็มีบริวารใส่สอยมากแต่พระองค์วะยังไม่ใด่เป็นผมสุขแต่เราเประเพลินกับสิ่งที่เราต้องการนันคือสิ่งที่มันมีจริงๆน่ะเราไม่เคยรู้ว่าชีวิตนี่เป็นของทุกคนแม้สัตว์ก็รักษาชีวิตนี้คนก็ต้องรักษาชีวิตไม่อยากให้ชีวิตเนี่ยตกไปเป็นอํานาจของขมหลงขิดพุทธศาสนานสอนให้คนรู้จัก ตัวเองควรทําควรพูดควรคิดหรือไม่ควรทําไม่ควรพูดไม่ควรคิดพระพุทธเจ้าหักห้ามได้วันนี้สาวกของพระองค์ทุกคนก็ต้องหักห้ามได้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าที่เราสวดกันโดยมากส่วนเป็นภาษาบาลีอย่างที่ว่าพูดตัดสรู่ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกัน คันธาเราตัดสรุตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเหมือนกับพระพุทธเจ้ามีความเห็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าทำไมเรามีทุกและพระสาวกกับพระพุทธเจ้าทำไมจึงไม่มีทุกอันนี้ให้ให้พวกนักศึกษาเอาไปคิดเองไม่ว่าพวกอาจารย์ที่ที่ทำงานในวงงานทุกแผนเอาไปคิดเองเรามีทุกไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีทุกหนึ่งทุกกลัวตายสองทุกกลัวกดกลัวอยากสาม ทุกกลัวว่าจะเข้าสังคมไม่ได้อย่าง น, นอย่างนี้อันนั้นเราไปคิดขึ้นมาแต่เราไม่ได้เห็นที่มันคิดขึ้นมาเราไม่เห็นเลยคือที่มันคิดขึ้นมาทีแรกเราไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นเราก็ไปตามอารมณ์นะขเขาเรียก ว, ว่าอารมณ์ธรรมอารมณ์เกิดกับใจตามไปนู้นไปากธรรมารมณ์อารมณ์มันเกิดกับใจแล้วก็เลยไปตามอารมณ์นั้นอารมณนะ์นั้นก็ให้เราคิดปรุงเป็นเรื่องของเราอย่างสังขาร สังขารมันหมุนไปสังขารเกปุงแต่งวิญญาณเป็นวารุ่นี้เราไม่ได้ใส่วิญญาตัววิญญาณนี่เป็นตัวปัญญาตัวรู้ตัววิญญาณกับตัวปัญญาเป็นตัวรูเนี่ว่าการกระทําทุกอย่างเลยถ้าขาดปัญญาแล้วแสดงว่าไม่ตรงตามกับความหมายที่พระพุทธเจ้ท่านสอนเอาไว้ทําวิธีใดก็ทำพวกคุณเรียนหนังสือ นักศึกษาทำปริยาโทเดียวนี้เนี่ยถ้าหากขาดปัญญาแล้วอะยังไม่ได้เป็นนักศึกษาแต่เรียนนักศึกษาตามหลักวิชาการทำสิ่งใดถูกต้องแล้วเกิดปัญญาให้เรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริ ง, ร ง, ร ง, รงนั่นส่วเราเกิดปัญญาตัดสู้ตามพระพุทธเจ้าหรือว่ารู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้ามีศินมีทิฏฐิเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีความเห็น แล้วก็เอาชนะทุกได้จริงๆแต่ทุกนั้นไม่ได้หมายถึงว่าทุกมาขาดการเรียนหนังสือไม่ได้ทุกอย่านทุกไม่มีเงินทุกกลัวจะเข้าสังคมไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างคือทุกเพราะโทกความปรุงแต่งนี่เองเราไม่เคยรู้บุญคืออะไรบ้าเงินไหลไม่เคยรู้เมื่อไม่รู้แล้วเจ็บจะเอาได้ไหมเหมือนเราจะไม่เคยรู้ของนั้นมันไม่มีแต่เขาว่ามันมีแต่เราก็เดินไปหามันเดินไปหามันหาจนตายก็ไม่เจอเพ่อเขาไม่มี ไม่เป็นถ้าหากว่าเรารู้แล้วเนี่ยไม่มีเราไม่ต้องหาถ้ามันมีต้องหาถ้ามันมีเราก็ต้องหาก็ต้องเจอถ้ามันไม่มีหาเท่าไรก็ไม่เจออย่างความทุกข์เนี่ยความดีใจความเสียใจโกรธเกลียดเนี่ยมีในคนทุกคนทีเดียวไม่ยกเว้นคนไทยถือศาสนาพุทธก็มีดีใจมีเสียใจมีโกรธมีเกลียดมีเหมือนกัน คนจีนถือศาสนาพุทธก็ยังมีเหมือนกันมีการหลอกการลวงกันทั้งนั้นแล้วคนฝรั่งถือศาสนาคิดถือศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูอะไรก็ตามก็ยังมีเหมือนกันโยกความทุกข์นี่จึงไม่ยกเว้นไม่ยกเว้นใครทั้งหมดเลยจะไปเจ้าฟ้ามหากรัชท์ก็ตามความทุกข์แบบเนี้เรียนหนังสือมากๆก็ตามมีเงินหลายๆก็ตามอย่าวะซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ที่ชีวิตไม่มีทุกข์ พระพุทธสอนจํากัดลงมาคืออะไม่ให้ชีวิตถึงทุกข์หลวงพ่อลู่ธรรมะเรื่องนี้มาเมื่ออายุสี่สิหปีหลวงพ่อแก้ปัญหาตัวเองได้คือทุกข์นั่นมันไม่ได้มีอยู่ประจ า, าแต่เราเปครัวเอามันทอนเองคือไม่เห็นจิตแห่งใจเรานี่เองพอดีจิตใจเราคิดขึ้นมาเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเมื่อไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็ทําไปตามความคิดเห็นจะเป็นยังไงคนเนี่ยจิวอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดแต่มา พอแม่คุสอนเราอยู่กับพรรคกับพวกกับมิตรกับปู่เน่ยให้ระวังคํำพูดคําเตือนกันแต่เราพูดได้แต่เราทําไม่ได้อันนี้อการพูดเน่ยร้อยคําพันคำหมื่นคําแสนคําล้านคําก็ตามสู้การกระทําให้รู้จริงๆครั้งเดียวไม่ได้ทุกคนทําได้อึดใจเดียวทําได้แต่เราไม่ต้องติดภาษาบาลีแต่ต้องมาฝึกตัวเรานี่เองเมื่อฝึกตัวเราแล้วมันไปเข้ากับ ที่ครูบาอาจารย์เครสอนเอาไว้ให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนให้มีสติรู้เดินให้มีสติรู้นั่งให้มีสติรู้นอนให้มีสติรูนน้เพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ทุกนี่เองเพื่อสันตติความเกี่ยวเนื่องนันครูบาอาจารย์สอนคือว่าในอิริยาบถเนี่ยมันเร็วที่สุดบังเราไว้เพื่อจะไปเพิกถอนอันกรมบางอ น, นั้นต์อ น, นุกรมรู้ที่สุด เราไม่ได้กําหนดอันนี้แล้วก็ไปจำอันนั้นก็เลยไม่ได้กําหนดตัวนี้มันก็เลยไปติดก็เลยไม่รู้ทุกเมื่อเราปล่อยทั้งหมดเลยมาเอาความรู้สึกนึงความรู้สึกนี่ไปทําหน้าที่ของมันก็เลยรู้ทุกข์อยงหลวงพ่อรู้ตีห้าปุ๊บเองหลวงพ่อรู้รู้แล้วหลวงพ่อมทุกคนมันก็รู้ได้เนยแต่ขอให้มีคนพูดความจริงเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้เราไม่อยอมพูดของจริงเมื่อรู้ทุกแล้วหลวงพ่อพูดความจริงนะพวกคนยากหาว่าหลวงพ่อเปอน็นยางไงหลวงพ่อติดบุหรี่ ข่าวนั้นหลวงพ่อติบบุรีมือแดงหมือพระหลวงพ่อเบสุบุรียาดกระป๋องที่ไปซื้อมาจากเมืองลาวพอดีหลวงพ่อรู้หลวงพ่อเลิกได้ทันทีเลยมันเบื่อมันกลัวเนี่แหละพระพุทธเจ้ารู้ทุกจริงจริงวันรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามเลิกตั้งแต่วันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างฟังเพลงฟังด น, นตรีฟังมาหลายสิบ ป, ปีไม่เกิดปัญญาไปดูหนังดูละครดูมรรสมรสศพดูมาหลายร้อยปีหลายสิบ ป, ปี ก็ยังไม่เกิดปัญญามารู้นี่รู้เท่าใดก็ไม่เห็นมาเกิดปัญญาเนี่ยอ๋อมันฟังไม่ถูกเรื่องเนะเมื่อมาทําอันนี้มันถูกอ๋อแล้วก็เลิกได้จิ๋วรู้จักผีรู้จากเทวดารู้จักสัตว์นรกรู้จากเป็ดรู้จากสัตว์ในลาศสารรู้จากอสุรกายเกิดรู้แล้วคนอื่นจะรู้ด้วยไหมรู้ไม่ได้เพราะเรื่องของแต่ละคนไม่เหมือนกันจ่เพียงพูดให้ฟังวิธีทำเท่านั้นเองแล้วทํามันจะเป็ิดเองจิ๋ว่าให้มีจังหวะ พลิกมือขึอน้นให้รู้สึกลมรู้สึกเพื่ออะไรจะไปไรกมไม่รู้หนีใถ้ามันติดซ้อหมูเหมือนลูกโทษไม่นานทําอย่างนี้เพราะทุกคนทําได้เนี่ยอย่างเอาเพียงรู้เน้น้อยเนี่ยรู้นะถ้าทําจริงๆนะทุกคนหลวงพ่อคิดว่าไม่เกินสิบวันเพราะหลวงพ่อเคยทํามาแล้วเรื่องนี้เคยพูดเคยแนะนำมาคนที่เขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่เป็นไม่มีเงิน ไม่มีพักมีพวกก็รู้ได้เหมือนกันคนที่เขียนหนังสือได้อ่านหนังสือเป็นมีเงินมีทองมีพักมีพวกมาก็รู้เหมือนกันรู้เรื่องตัวเองเนี่ยกำลังทำกำลังพูดกาลังคิดอะไรไม่ใช่ว่ารู้อย่างที่รู้สันสัตยานรู้โดยกฎของธรรมชาติเพราะหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหรือใพกนไมคี่ว่าให้มีสติกาหนดรู้ ในอิรดียบทย่อยข้อเหยียดเคลื่อนไว้โดยวิธีเดียวก็ให้รู้เพื่ออะไรเพื่อจะมาจัดการกับสันตติความเกี่ยวเนื่องในอิเดียบทนเองเมื่อเรามาทำอย่างนี้เราก็ทำช้าๆมันเป็นไปตาธรรมชาติของมันอย่างพิปตาบ้างหายใจบ้างมันคิดบ้างตันนี้เมื่อเรามาอยู่กับความรู้สึกมันพิปตาเราก็รู้ทันทีมันหายใจเราก็รู้ทันทีมันคิดเราก็รู้ทันทีเพราะเราอยู่กับความรู้สึก อันที่เราไม่รู้เราไม่อยู่กับความรู้สึกเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราไปอยู่อดีตบ้างไปอยู่อนาคตบ้างปัจจุบันก็เลยไม่มีแล้วเราไม่เคยศึกษากับเรื่องนี้ไปศึกษาแต่เรื่องอดีตอนาคตเห็นไหมลืมตัวเพราะขวมไม่รู้ตัวนี่เองเมื่อเรามาศึกษาให้รู้ตัวจริงๆแล้วมันก็รู้ได้เหมือนกันทุกคนรู้ของจรงเป็นกฎตายตัวธรรมศาสตราเยียเยียบแก้ทุกข์ทีเดียวจงหวเออขวมทุกเนี่ยเกิดขึ้นเพราะ จิตใจมันมีการขัดแย้งในตัวเองทางานได้น้อยกว่าพระทธเจ้าทำงานได้น้อยกว่าพระสัมมาสุธ น, นะแต่ความจริงเราทํางานได้น้อยเพราะเราเหนื่อยเราดีใจเราเสียใจเราพอใจเราไม่พอใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ดีดีใจไม่ได้มีเพลิดเพลไม่ได้มีอะไรนะทั้งหมดทํางานเพื่อ ง, งานทํางานตามหน้าที่ดังนั้นยุคนั้นสมัยนะั้นจึงเจริญที่ยุคไม่จเจริญมาเนี่ยก็เพราะว่าทางาน เป็นทาสของเงินทำงานเป็นทาสของงานหวังแต่เงินเท่านั้นหวังแต่ซื้อเสียแเดี๋ยวมันไม่จะรึถ้าหากทุกคนรู้ยังทำงานเพื่อ ง, งานทำงานตามหน้าที่ทำงานเพื่อเพื่อนเราเนื้อววคนนั้นต้องมีฟินมีไซส์มีอะไรแต่เราทำงานตามหน้าที่ของคนแล้วแบบโลกว่าค่อยๆลดความร้อนลงมาเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำงานตามหน้าที่ของคนทำงานจรงไม่ได้ทำงาน ก็ทำงานตามหน้าที่ของคนมันก็ไม่มีผเราไม่ทำงานตามหน้าที่ของทำงานเพื่อกิเลสทำงานเพื่อเนทำงานเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เราไม่เห็นผิดเห็นใจมิจ